ธรรมชาดกแผ่นที่11ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่14เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าเกือบจะฆ่าผู้มีพระคุณวันนี้เป็นวันที่14 เมษายนพุทธศักราช2557วันนี้นับถอยหลังไปปี42ปี2542โยมแม่ของหลวงพ่อมามรณะอยู่ที่นี่นะัทธายาิโยมลูกหลานวันนี้ครบรอบอกี่ปีลหลวงพ่อก็ไม่ได้นับดูอ14หรือ15ปีเนี่ย ที่โยมแม่จากไปปี2542ตรงกับวันที่ส4บสคือวันนี้แหละเพราะนั้นทางในครัวลูกหลานทางในครัวนะเ่เวลาคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ให้พรลํำลึกถึงโยมยายด้วยนะอุทิศส่วนกุศลถึงโยมยายด้วยแต่คุณตาคุณแม่ของหลวงพ่อเนะี่ยชื่อ คุณแม่จอมแก้วผิวขำแต่คุณพ่อเนะี่ยชื่อโยมพ่อแดงผิวขำหงปู่แดงลงตาแดงผิวขำอายุโยมแม่เนะี่ยปีที่ท่านจากไปโยมพ่อเน 96, ี่ยเเพราะโยมพ่อไปทีหลังแต่โยมพ่อเนะี่ยมรณะเดือนธันวาโยมแม่เนะี่ยเดือนเมษา โยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยมรณะร้อนในช่วงนั้นปีนั้นร้อนฮะแต่โยมพ่อเนี่ยเมื่อวันมรณะของท่านวันที่สิบหกธันวานหนาวที่สุดเลยทีนีนอ้อยู่คนละขั้วกันเลยร้อนกับหนาวแปลว่าหนาวที่สุดที่หลวงพ่อจาถ้าจำไม่ผิดนะปีนั้นะ่ะประหลอดงลงถึงสามนี่แหละอันนี้ก็คือ วันลาลึกถึงโยมแม่แต่ทั้งที่ยังไงหลวงพ่อก็ได้ทําบุญตั้งแต่พร้อมกับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่22วันที่23วันที่23มีนาหลวงพ่อสมโพธิพระพุทธปฏิมาที่หน้าศาลาก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ประกาศให้คณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกันสร้าง วัดป่านาคำน้อยของเราตีพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้ก็เพราะว่าทุนทรัพย์ของผีน้องพ่อแม่ดูกหลานทุกคนได้มาร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังความคิดจนเป็นวัดวาศาสนาพวกเราก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณที่ล่วงรับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่23มีนาหลวงพ่อประมวลทั้งโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลให้กับบรรพชนผู้มีอุปกรณคุณเหล่านั้นหลวงพ่อเองก็ได้ประกาศให้คณะสัตย์าญาติโยมทุกหมู่เหล่าเหมือนกันมาร่วมกันทําบุญในวันนั้นเนอะอุทิศสวนกุศลถ้าหากว่าหลวงตาท่านก็บอกทาบุญเปิดโลกธาตุแต่เราพวกเรา ไม่ควรจะใช้ศัพท์นั้นไม่ควรจะใช้ศัพท์ของหลวงตาเพียงแต่ว่าพวกเราพร้อมกันทาบุญอุทิศสวนกุศลผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราร่วมกันเนิ่นปีหนึ่งควรจะมีครั้งหนึ่งในวัดของเราอันนั้นก็คือเราได้ทำแล้วแต่ถึงยังไงเมื่อได้ทาแล้วไปก็ก็ดีแต่ว่าเมื่อมาถึงวันครบรอบมาวัน มรณะของโยมยายโยมแม่ก็ขอให้พวกลูกหลานทุกคนที่ผู้รู้จักมกคุ้นะอุทิศส่วนกุศลถึงโยมยายด้วยฮะตว่าโยมยายดวงวิญญาณของโยมยายจอมแก้วผิวขำสิ่งสถิตยุณนะถิ่นใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลไม่ว่าแต่โยมยายละผู้ใดวิญญาณดวงใด พร้อมที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเราก็พร้อมที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้กับดวงวิญญาณนั้นๆทุกๆดวงวิญญาณอันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แผ่กระจายให้กว้างขวางนะอย่าไปจดเฉพาะเจโจงแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทั้งที่วิญญาณท่านเหล่านั้นพร้อมที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่พวกเราไม่ให้ เราพวกเรามันแคบมันไม่กว้างอันนี้ก็ดวงวิญญาณเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้เหมือนกับเขามายืนล้อมรอบเราเอาเงินให้แต่เฉพาะผู้ที่เราให้ท่านเองให้พวกที่ยืนอยู่กับตาพิบปิ บ, บ, บน่าจะแบ่งให้พวกเราจังนิดจังหน่อยก็ยังดีนะไอเหมือนกันอย่างั้นแะเมื่อเราไปทำมาค้าขายรวยขึ้นมานะ่ะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน อย่างวันนี้นะมาทําบุญอุทิศส่วนมาทําบุญในวันนี้จิตใจที่เป็นกุศลแต่ดวงวิญญาณามารอคอยพวกเราอยู่แต่พวกเราไม่ได้แบ่งให้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้รับนะ อ, อย่างพระเปรตพระเจ้าพิมพิสารที่หลวงพ่อเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งเมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารถวายแผ่นดินสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนาวัดป่าเวรวันไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึง ท่านผู้ใดพอทําบุญถวายแผ่นดินถวายที่ดินกับพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์แล้วก็เทน้ําทักขีโนโทกเป็นพยานว่าถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงผู้ใดและก็จบเ ป, เปตเปรตญาติของพระองค์ในอดีตแต่ชาตินะคือดวงวิญญาณในอดีตแต่ชาติมาทวงเลยท่านทําบุญเมื่อวานไม่ได้ทําอุทิศส่วนกุศลให้ข้าเลย พระเจ้าพิมพิสารก็รู้ได้ก็เลยทำครั้งต่อไปก็เลยอุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณเหล่านั้นถึงจึงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่มาเปรียบเทียบอีกหลวงพ่อพูดอีกหลายครั้งเหมือนกันคือเนี่ย อ, อ, อาเจ็กของหลวงพ่อเป็นพี่ชายหลวงปู่จาม เป็นน้องน้องชายของโยมพ่อของหลวงพ่อนะหลวงปู่จามมหาปุญโญเป็นคนที่สามนะแต่ลุงเจ็กเนี่ยเป็นคนที่สองแต่เป็นอาเจ็คแต่เป็นน้องโยมพ่อแต่ท่านไม่มีครอบครัวอาเจ็คไม่มีครอบครัวแต่คนขยันแล้วก็ทำงานอะไรใเลี้ยงหลานผู้ใหญ่จูมก็เป็นน้องชายของ หลวงปู่จามที่หลวงตาพูดถึงบ่อยๆพอหลวงตาไปอยู่ที่ห้วยทรายหลวงตามหาบัวไปอยู่ห้วยทรายหนะ่อยถ้าพูดแล้วก็พูดถึงบ้านน้องกระปา ด, ด้วยแล้วก็พูดถึงผู้ใหญ่จูมด้วยใกล้ๆกันนะะั่นแหละทีนี้ก็อาแจ็คเนี่เป็นพี่ชายของผู้ใหญ่จูมแต่ก็มาอาศัยท่านก็ไม่มีครอบครัวก็อยู่กับน้องชายอยู่กับผู้ใหญ่จูมแต่ก็เลี้ยงหลาน พวก้านหลานก็นมีห้าคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นพอ อ, อเป็นอะไรก็มีลูกหลานของผู้ใหญ่จุม่มลูกของผู้ใหญ่จุม่มแต่เตแจ็คหนึ่งก็เลี้ยงพวกล้านหลานต่อมาอาแจ็คนึ่ก็เลยได้ตายลงไปมรณะก่อนต่อมากับผู้ใหญ่จุม่มน้องชายก็อายุ70กว่านะไม่ใช่ตายง่ายแปเกือบ0ปแล้วก็ตายน้องสะพ้าย ที่เป็นเมียผู้ใหญ่จูมแล้วก็ตายอายุแปดสิบเหมือนกันนะเ็ดสิบแปดสิบเหมือนกันพอตายไปแล้วทีนี้ผู้ตายที่หลังนั่นก็คือเมียของผู้ใหญ่จูมนะ่ะน้องสะไผของอาเจ๊กแต่นี้เขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศล น, นะ เ, เขาบอกว่านางดวงผิวขํา ที่อยากไปดวงวิญญาณอยู่ณสถานที่ใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลพวกญาติพี่น้องทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปมีผู้ใหญ่จูมนางดวงเขาก็ไล่ไปะสองสามคนแต่นี้เขาไม่พูดถึงตายแจ๊กสินเขาไม่พูดถึงไอ้ลุงเจ๊กตายแจ๊กนี่ยเขาไม่พูดถึงทีนี้ก็พอทําบุญอุทิศ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยอพอทําบุญก่าวคำถวายเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พร อ, อ, อยู่ในบ้านนะ อ, าอยู่ในบ้านอนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านพวกเราก็เือลงไปไปกินโต๊ะเขาตั้งโต๊ะเลี้ยงคนอยู่ข้างล่างเลี้ยงอาหารข้างล่างแต่พระสงฆ์กาลังเันันแต่มีคนคนหนึ่งมานอนอยู่ข้างๆอายุประมาณสัก20 3 0นี เป็นลูกเขยคนเป็นเขยบ้านนั่นแหละแต่เป็นคนมาจากนู่นอำเภอจังหวัดอำนาจเจริญนะได้มามานอนควา ม, มาหน้าหมูทั้งหลายลงไปกินข้าวหมดแต่แตอนนี้ตะแก่ไม่ลงไปตะแก่หันหน้าไปทางลูกกองถมน้ำลายผิดผิดอยู่อา้าวคนก็ไหลก็ขึ้นมาอา้าวไปไไปกินข้าวอาบอ ก, กมา พอเนธโชติก็เลยนอนคว่ำหน้าแล้วดีดขาอีกต่างหากนะก็น่ถมน้ำลายไปข้างหน้าอีกต่างหากแต่นี้พวกลูกหลานหลวงตาเจ๊ก เ, เกนี่ยลุงแจ๊กเนี่ยรู้จักกันรไเอสมัยก่อนเนะ่เมื่อลุงแจ๊กโกรธให้ใครเนี่ยเขาจะนอนคว่ำหน้าแล้วก็ถมน้ำลายไปข้างหน้าแล้วก็ดีดขาอันนี้ลุงแจ๊กเข้ามาสิงแน่แน่เลยเขาว่ากันนะผีลุงแจ๊กเข้ามาสิงเออ คนคนนี่แน่นเจากนั้นก็นพวกหลานก็ถาม อ, อ, อันนี้เป็นลุงแจ๊กใช่ไหมอ่ากูนี่ล่ะฝั่ง น, นั้นเนีเออเอ้าทำไมอลุงคือจึงเข้ามาสิง เ, เขาละ่ะล่างนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าข้าในไม่พอใจกับลูกกับหลานเอ่อข้าในเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่เลี้ยงหลานมาพอแรงเลีเ้ยงสู่เจ้ามา แต่เวลาทำบุญทิศ ส, ส่วนกุศลไม่เอ่ยถึงข้าเลยถึงแต่อีดวงกับบักจ่มคือน้องชายกับน้องสะพ้ยแต่ให้ข้าให้เราอดอยากเราไม่อดอยากเพราะเราได้ทำบุญทำทานไว้แล้วเราไม่อดอยากมีอยู่มีกินแต่เราเสียใจที่ลูกหลานไม่ลำลึกถึงเราฮะผีก็เสียใจเป็นเหมือนกันนะลูกหลานนะจากนั้นมาลูกหลานก็เลยโอ้ยขอยอมแล้วูก ลุงเอ้ยต่อไปจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกขอยอมขอยอมออกสะนายลุงนะก็เลยตาแก่แลยก็ลุกป้องง้องแป้งแงขคืนมาเอา้าข้าเป็นอะไรวะงั้นพวกนายโอ้ยผีลุงเจ๊กสิงเจ้าแล้วเขาว่านะาผีลุงเจ๊กสิงเจ้าแล้วงั้นตั้งแต่บัดนั้นม า, าบ้านห้อยทรายเขาจะทาบุญ อุทิศ ส, สวนกุศลอะไรเนี่ยเขาจะต้องล่ยาายาวเลยทีนี้เออเหมือนหางาว่าวเลยเหมอนเถอะอุทิศ ส, สวนกุศลออันนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องคณะสาาัตยาญาติโยมหลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างหนึง่งเอ่อที่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราทําบุญอุทิศ ส, สวนกุศลเมื่อเราไปทําบุญเราก็ควรจะน้อมจิตอุทิศ ส, สวนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณเออเพราะว่าเขาได้ทําบุญกับได้ทํา เ, เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพวกเรามาเขาทำคุณให้กับเราถือว่าเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกเตเวทิตาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาลูกหลานทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะพวกเราเนีมาทำบุญในพระพุทธศาสนา เ, เราควรจะทาบุญอุทิศส่วนกุศล อย่างวันนี้ล่ะที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวที่ผู้รู้จักมักคุนคุณยายพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและก็อุทิศส่วนกุศลให้คุณยายด้วยนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้พูดถึงพระคุณของพ่อของแม่เพราะช่วงนี้หลวงพ่อเองจะย้ําพูดเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดาเพราะเหตุไรเพราะว่าลูกหลาน ไปทำมาค้าขายอยู่ต่างจังหวัดเพื่เผยยังต่างประเทศอีกต่างหากได้ต่างถิ่นต่างแดนพอกลับมาบ้านแล้วก็น่าจะได้เข้ามาได้มาทาบุญวัดวาศาสนาก็น่าจะได้ยินพระสงฆ์อย่างหลวงปู่หลวงตาเนี่ยนแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าหน้าที่ของพวกเราคืออะไรไม่ใช่ว่าห่างเหินไปเรื่อยๆไม่รู้จักกระทั่งบุญคุณของบิดามารดา เพอเผอร์อยังวางแผนฆ่าพ่อแม่อีกอยากพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเกิดความสรดสังเวชใจอย่างมากที่พวกเราได้เห็นในสื่อได้ข่าวทําไมจึงลูกหลานทุกวันนี้ทําไมจึงคิดสั่นถึงขนาดนั้นมรดกของพ่อแม่ก่อท่านที่ท่านจะหามาได้จากนั้นท่านได้เลี้ยงดูลูกของท่านจนเป็นใหญ่เป็นโต รู้เลี้ยงสาภาวะทําการทํางานทำอาหาเลี้ยงชีพได้ก็น่าจะเพียงพอขาสองสมองหนึ่งขาสองแขนสองสมองหนึ่ง เ, เราไปเสา ะ, ะแสวงหาในการเสา ะ, ะแสวงหาพ่อแม่ของเราก็ท่านก็เสา ะ, ะแสวงหาเหมือนกันก่อนที่ท่านจะได้ทรัพย์สมบัติมาในเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเสา ะ, ะแสวงหา เช่นเดียวกับพ่อแม่ของเรามันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าเราจะวางแผนฆ่าพ่อแม่หบมรดกของท่านค่อยๆรวบลัดตัดตอน อ, อยากจะรวยทางลัดฆ่าเจ้าของมรดกซะเราจะได้เป็นเจ้าของมรดกแทนคิดได้เพียงแค่นั้นเหร อ, อลูกหลานทุกวันนี่นี่แหละน่าคิดเหมือนกัน ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอนันต ร, ริยกรรมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระรหันทําร้ายพระพุทธเจ้ายุโยงสงให้แตกกันบาปหนักที่สุดในหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกลูกพวกหลานทุกคนนะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานของพวกเราด้วยอย่าให้เคดก็เป็นบาปพอแรงแล้วพูดออกไปก็เป็นบาป ยิ่งกับทำลงไปกแปลว่าบาปสุดๆดแปลว่าดวงวิญญาณนั้นใจดวงนั้นนับหนึ่งใหม่อย่างพระองค์คริมานก็เหมือนกันพระองค์คริมานฆ่าคนทั้ง499คนใน พ, พระไตรปิฎกแต่ตอนเช้านั้นพระองค์คริมานเนี่ยขาดนิ้วอยู่นิ้วหนึ่งจะเป็นใครก็ตามมาวัานนี้ฆ่าทั้งหมดเพื่อจะให้นิ้วมือครบพันพระพุทธเจ้านั่ง สมาธิตอนตีสี่ตีสามตีสี่พระพุธองค์ท่านจะนั่งสมาบัติเข้าสมาบัติเข้าสมาธินะแล้วก็ตรวจดูสัตวโลกทั้งหลายใครเข้ามาในข่ายคือพยานคือเข้ามาในข่ายคือเข้ามาจอเรดาร์ของท่านน่ะท่านสายจอเรดาร์ไปทั่วโลกใครจะได้ให้ไปช่วยท่านก็เห็นพระองค์ุลิมานเองค์ุลิมานโจรเนีเ่ยกำลัง หาคนหานิ้วมือคนอยู่ยังขาดู่นิ้วหนึ่งแต่แม่เนี่ย พ, พยาปเนสนส่งทหารเข้าไปเนี่ยจะไปปรับองค์กุริมันคนเดียวส่งทหารเข้าไปเป็นกองพลนะ่ไหมทางผู้แม่เนี่ยก็ห่วงลูกใช่ไหมละ่ะโอ้ถ้าส่งทหารเข้าไปเขาต้องฆ่าลูกฆ่าแ น, แน่แม่ก็ต้องไปก่อนแม่ก็ต้องตื่นแต่เช้า เ, เพื่อจะไปบอกให้ลูกหนีว่าันั้ แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าเมื่อองคุริมารเห็นแม่เนี่ยจะไม่เว้นเลยจะต้องฆ่าแม่ในเมื่อฆ่าแม่แล้วเนี่ยพระองคุลิมานฆ่าแม่แปลว่าบุญกุศลที่องคุลิมานสั่งสงมาในอดีตชาติเนี่ยจะได้เป็นเศรษฐีในชาตินี้อยู่แล้วแปลว่าจะหมดทั้งหมดเลยบุญกุศลนั้นจะหายเกลี้ยงทั้งหมดเลยจากนั้นก็จะเริลงอเวจีมหานรก เมื่อตกผลจากนรกขึ้นมาแล้วจะนับหนึ่งใหม่บุญกุศลจะนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะไปโปรดองคุริมานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดองคุริมานท่านเห็นในญาณรัตนะของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ออกไปก่อนไปก่อนแม่ของพระ อ, องคุริมานท่านจึงได้ไปโปรดพระ อ, องคุริมานก็เลยไม่ได้ฆ่าแม่ถ้าฆ่าแม่ไปว่า บาปหนักที่สุดถ้าว่าผู้ใดก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้ายังโพรโหิตให้ห้อยุุยงสงให้แตกกันถึงใครจะไม่รู้ถึงทำอยู่ในเมืองไทยนูน่นไปบวชอยู่อังกฤษไปบวชอยู่อเมริกาบวชขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นพระเพราะว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันหมดจา ก, กจิตใจแล้ว แปลว่าไม่เป็นไม่ไม่เป็นพระแล้วบวชมาไม่เป็นพระรับบวชไม่ได้คนที่ทําอนันตริยกรรมผ้าบาปถ้าว่ารู้แล้วก็ใครรู้แล้วก็ประสงค์ก็ต้องไล่ให้ออกจากการเป็นพระเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาทําชั่วสุดๆแล้วเขาไม่เป็นคนอีกแล้วเหมือนกับมตัต้นเพล้าต้นมะเพร้า ต, ต้นตาล น, นี่ย ถ้ามันคอปัดลมมันตัดคอคอปัดนะมีแต่ต้นโดเดขึ้นมาแล้วมันจะงอกเงยขึ้นมาได้อีกไหมมันงอกเงยไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกผู้ใดก็าตามฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับต้นเพล้าต้นตาลคอปัดมันขาดอย่างนั้นแหละมีแต่เน่าลูกเดียวดวงวิญญาณหรือว่าคนคนนั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอันนี้ก็คือ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอนันตเรียกรรมฆามารดาฆาบิดาฆาพระหัน์ทําร้ายพระพุทธเจ้ายังโปรหิตให้ห้อยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักสองฝ่านยะบาปหนักที่สุดนะให้ฟังเอาไว้ให้ศึกษานะอันนี้ก็คือพ่อแม่ก็คือเป็นบุเป็นบุคคลผู้มีอุปกรณก่อน พ่อแม่เป็นพรมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรกอนเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอะนี่หลวงพ่อเห็นนะวันเนี้ย คือโยมแม่ของหลวงพ่อเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วร่างกายของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าหลวงพ่อได้มาจากใครได้มาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่ได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉนั้นสมบัติของพ่อแม่ถึงท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่มรดกของท่านยังอยู่กับหลวงพ่ออยู่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีล อย่างแสดงทำและอย่างพูดให้กับลูกหลานได้ฟังในวันนี้แหละท่านว่าให้ทมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือว่าการให้ทมหรือว่าการให้แนวความคิดที่เป็นธรรมย่อมเป็นได้บุญกุศลมากกว่าให้การให้ทั้งปวงเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อให้ทมเป็นทานถึงจะพูดกล่าวหลายครั้งแต่หลายหนหลายที่หลายสถานที่บุญกุศลทั้งหลายทั้งมวล ก็ขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ของหลวงพ่อประสบแต่ความสุขความเจริญ อ, อ, อยู่ที่ใดก็ให้มีแต่ความสุขขอให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารในที่สุดอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะต้องได้คิดไว้ในใจเสม อ, เ, อ, อเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านนีอันนี้พวกกนะกกนัตาญาิโยมลูกหลานทุกคนกวกควรจะคิด อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อคิดจริงไหม ต้องเอาหลักเหตุผลมาพูดกันเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธญาณท่านบอกว่าให้มีเหตุผลเหตุผลในแนวความคิดนี่แหละที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อมั่นใจว่าหลักธรรมคาสอนมีเหตุผลสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคณะทายาทโยมทุกหมู่เหล่าอันนี้คือการเป็นอยู่ถ้าว่าพวกเราทําถูกต้องแล้ว อยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดคิดพูดทำอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเจริญแต่ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกแล้วมีแต่ความจิบหายนะจะเข้าตามจะตามเข้ามานะความเรือดร้อนจะตามเข้ามาเออเรื่องที่กรรมชั่วหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าในพระบาลีในพระบาลีคําตราสและคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ท่านตราสไว้ว่า อกตังดุกตังเสยโยปัจชาตปติทุกตังกรคำชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าในเมื่อพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นจะตามให้ผลพวกท่านจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสิ่งไหนก็ตามถ้าพวกเราคิดดูแล้วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำ ขายายาบ่งยาบ้าพกพาอาวุธมีดปืนไปในที่สาธารณะเราก็รู้ว่ามันผิดนะเราไปทําทําไมถ้าเขาจับได้แล้วต้องติดคุกนั่นเนี่ยนี่แหละกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าในเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังพอในสุดเขาจับเข้าไปเข้าคุกเข้าตารางเข้าไปโกงขังแลประกันนะเป็นเท่าไหร่ ทำให้พ่อแม่พี่น้องวงศาคณญาติตัวเองเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวและแห่งไม่สบายใจเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามลูกหลานนะทุกคนนะไม่ว่าทุกนั่นนะทุกคนนะ่ะไม่ว่าเท่าว่าแกไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไม่ว่าลูกว่าหลานทุกคนนะนะ่ะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นทำแต่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสังสมคุณงามคนดีเข้าสู่จิตใจ พวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญไปนะัดสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปทุกหัวละแห่งหพอไรเพราะทาแต่คุณงามความดีเมื่อเราจากโลกนี้ไปเถอะพวกเราอยากคิดนะว่าจะอยู่ในโลกนี้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นนะลูกหลานแต่ทั้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาลึกให้พวกเราสานึกถ้าพวกเราไม่สานึกถึงความตายพวกเราจะลืมตัว เ อ, อข้าจะต้องเป็นใหญ่ข้าจะต้องมีชื่อเสียงข้าจะต้องออมีอะไรในแผ่นดินเนี่ยทั้งหมดแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่นะลูกหลานอีกสักวันหนึ่งนะข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนแล้วที่หลวงพ่อพูดอยู่เดินหลวงพ่อระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะลูกหลานเ อ, อถ้าหายใจไม่เข้าเราก็ใช่ละ่ะหลวงพ่ออินตายแน่ถ้าหายใจไม่ออกใช่หลวงพ่ออินตายแน่ ไม่ได้เลือกการเวลาไม่ได้เลือกสถานที่เพราะนั้นลมหายลมมาหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเท่านั้นและในเมื่อเราลำเลึกถึงมรณะภัยคือความตายวิอยู่เสมอเราจะไม่ลืมตัวเราจะประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีเราควรจะทำสิ่งที่มันชั่วไม่ควรจะทำเพราะทำไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับทุกๆ ท, ท่านนะอาณาจัท า, ยาโยมทุกคน ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะ่ยตายแล้วไม่สูญอีกต่างหากนะอาตายแล้วไม่สูญเอา้าหลวงพ่ออินเอาอะไรมาพูดละ่ะเห็นคนไหนตายไปแล้วเห็นเงียบไปใช่ตายแล้วเงียบแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาพระหันท่านไปภาวนาอยู่ในป่าโรงพงไพ่พวกเราศึกษาด้วยสิท่านไปนั่งภาวนาพอจิตใจสงบลงไปแล้วท่านจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ย มันมีอยู่สองอย่างในแต่ละคนนะในแต่ละคนพวกเรามีอยู่สองในร่างกายของเราสองนั่นคืออะไรคือรูปประธรรมรูปประธรรมก็คือร่างกายของเราเนี่ยตาหูจมูกลิน้นกายนี่ยรูปประธรรมส่วนนามะธรรมนะ่ยคือใจคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะีอันนั้นแหละคือนามะธรรมมันอาศัยกันอยู่ทั้งสองอย่างหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้เป็นรูปประธรรมให้ได้เห็นก็ว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็เมือนะ ร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะแต่ดวงวิญญาณคือใจเนี่ยเหมือนกับคนขับรถนะถ้ารถไม่มีคนขับเนะี่ยร่างกายนี่ก็เป็นไปไม่ได้เดินไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้เพราะอาศัยใจเป็นผู้บังคับใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นนะลูกหลานนะแต่มันมาใช้สมองใจตรงนี้มันมาใช้สมองมันมาสั่งสมองสมองให้ทำกระดุกกระดิกให้พูดให้อะไรล้วนแล้วแต่ใจ แต่ในวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเขามองเห็นเขาตรวจพบค้นเขาตรวจพบเขาค้นได้แต่สมองเขาเห็นแต่สมองแต่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่นั่งภาวนาที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนนนั้นท่านเห็นนามธรรมเหนือไปกว่าสมองอีกไอตัวที่นามธรรมนะมาใช้สมองอีกที่นึงถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนลงไปอีกว่า สมองนันเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นันคือใครนั่นแหละตัวนี้แหละวิทยาศาสตร์ค้นหาไม่เจอคนที่มาที่มาที่มาใช้คอมพิวเตอร์ค้นไปจะไปเห็นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ท่านันเองไอ้คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นี่วิทยาศาสตร์มองยังค้นไม่เจอเดี๋ยวนี้เอ้พะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยว่า ผู้ที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั้นคือใจคือวิญญาณคือมโนคือผู้รูนะประเด็นขอให้พวกเราในโลกนี้สลับซับซ้อนมากแต่เพียงยังมองเห็นอยู่คืยังสลับซับซ้อนแต่เรื่องทำคำําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะไปของง่ายๆได้เลยถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อไม่บวชมาถึง เ, เกือบห้าสิบกว่าปีนะลงุงลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยบวช เป็นพระมาเลยสี่สิบเก้าพรรษานะลูกหลานนะก็บวกแปดเขาอีกเป็นเท่าไหร่อบวกแปดเขาไปห้าสิบกว่ า, เ, าเพราะสมมเรณแปดปีเป็นพระสี่สิบเก้านะนี่แหละถ้าอางั้นจะลงทุนถึงขนาดนี้เหรอเอหลวงพ่อลงทุนหลวงพ่อก็มั่นใจเลยบอกว่าเนี่ยลูกหลานกล้าพูดกล้าแสดงให้ฟังแลว้วตายแล้วไม่สูญนะลูกหลาน เ, าเพราะว่าหลวงพ่อได้นั่งภาวนานะ จิตสงบลงไปแล้วเห็นได้ชัดเลยเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่ว่านนะแต่ดวงวิญญาณนั้นอ่ะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้อีกมันไม่จัดไม่ใช่ตายหรือสูญนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํทำทําแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญกุศลนะพวกหลานพวกหลานทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญนะ แล้วก็พร้อมกันนะืลูกหลานวันที่ยีสิบเจ็ดที่จะถึงนะ่วันนี้ก็วันที่สิบสี่ใช่ไหมล่ะวันที่สิบเจ็ดเป็นวันเกิดของหลวงตาเนี่ยมันเกิดหลวงพ่อนาะหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้จัดงานหรอกแต่ที่ผ่านผมานมาน่ลูกหลานคณะสัายาติโจมที่รู้จักมรุ้นที่รู้จักหลวงพ่อก็กันหลังไหลมาพระสงฆ์หลวงพ่อก็ไม่ได้นิมนต์ไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์ ไม่ได้เชื้อเชิญคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าสุดแท้แต่ใครจะมาแต่ประกาศอยู่บอกอยู่อย่างนี้อยางนี้แหละบางคนอาจจะไม่รู้บอกให้ทราบก่อนเนอะลูกหลานเนอะพระสงฆ์ก่อนทมนตษย์ถ้าใครจะมาก็ได้ไม่มากก็ได้ถามคนไหนว่างก็มาถ้าญาติโยมก็เหมือนกันผู้ที่จะมาได้ก็มามากินข้าวต้มขนมวันเกิดหลวงพ่อเนะพอหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะ ไม่ใช่พระบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เ, เพราะนั้นหลวงพ่อบอกประกาศให้ทุกคนเอถ้าไม่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรออถ้าไม่มาขอขอให้มานหลวงพ่อถ้าไม่มาขอขอให้มาถ้ามาแล้วขอขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขออะถื อ, อยังไงก็ถือว่าเป็นญาติโกของกติกาญาติโยมของหลวงพ่อเหมือนกันอามา วันที่27มาเจอกันปีหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งก็ดีแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่ได้นิมนต์หรือไม่ได้เชื้อเชิญเวลามาก็ไม่ต้องเอะเขินเขิ น, ขนเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้นิมนต์ไม่ได้เชิญบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วถ้าผู้ใดพร้อมแล้วก็มาเพราะนั้นขอประกาศให้คณะัทธา ญ, ญาติมลูกหลานทุกๆคนได้รับทราบนะปีนี้อายุหลวงพ่อ69้ปี ห9้าปีวันที่ยี่สิบเจ็ดเต็มห9สิบเก้าต่อไปอย่างเขาเลขเจ็ดลูกหลานนะเลยไม่ใช่พาน้อยพานุ่มนะลูกหลานนะคน 70, เจ็ดสิบท่อพึงแปดสิบนะนะั่นแหะใครเห็นไหมเห็นข้นโยมยายไหมนะ่ะแปดสิบขนาดนี้แหละหลวงพ่อคงจะเดินตามหลังพวกท่านเหล่านั้นนะหลวงพ่อไม่คิดว่าจะหนุ่มไปข้างหน้านะลูกหลานนะ เพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่เป็นคุณงามความดีหลวงพ่อจะพยายามถ่ายทอดแนะนําบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ฟังเพื่อการศึกษาแต่ส่วนลูกหลานจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอ่ะก็ะมอกให้กับลูกหลานเป็นจะ ต, ต้องใช้สติใช้ปัญญากานกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลอีกอไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดอะไรให้เชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะลูกหลานนะอให้ฟังแล้วก็นําไปกานกลอง ไตรตรองอีกที่หนึ่งขนาดพระพุทธเจ้าสอนพระสาวกเนะี่ยดูก่อนสาลิบุตรภาษาริบุต ร, รคือเป็นอั克拉สาวกข้างขวาพระพุทธเจ้านะดูก่อนสาริบุตรที่เราจะถาคตพูดไปนี่ท่านเชื่อไหมภาษาริบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข่าพระองค์จะ มากราบถุนพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าค่าะขนาดภาษาว o k ท่านยังยังไม่เชื่อทีเดียวต้องนำไปปฏิบัติซะก่อนนี้ก็เหมือนกันเ่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่ามารู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่ออินหลว ง, งพ่ออินพูดให้ฟังยังไงก็จะเชื่อไปหมดพวกเราก็จะเหมือนกับเป็นบัวเป็นควายที่หลวงพ่อเคยพูด หลวงพ่ออินสนตะภายแล้วก็จูงตามหลังไปเป็นโพนไปไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดแต่ถ้ายัางไงให้เชื่อไว้ก่อนถ้าว่าปฏิเสธไว้ก่ อ, น, อนนั้นไปว่าเราปิดหูปิดตาตนเองถ้าเราเชื่อไปก่อนจริงหรือเปล่าทําไมหลวงพ่ออินพูดอย่างนี้วะทดลองเลยสินั่งภาวนาเลยสิข้าพเจ้าจะนั่งเอาสักสามชั่วโมงเลยสิวันหนึ่งเป็นยังไง นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอเราทดลองเนี่ยทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยทดลองการนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ส่งจิตไปข้างละหน้าไม่ให้จิตจิตส่งปิดไปข้างหลังให้ใจของเราผู้รู้ของเราในยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกพุทโธพุทโธ ท, ทดลองหนอสิเมื่อจิตสงบลงไปจะรู้ได้ไม่ต้องมาถามหลวงพ่ออินหรอกตัวนีอาถามตัวเองรู้ได้เลยโอ้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของ จ, งจริงจริงจริงยอมรับด้วยตัวเองเลยทีนี้นะาตอนนี้ไปรับพรในทันีดนะคณะทายาติโยมลูกหลานอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลถึงตาถึงยายนะลูกหลานนะ